ทำความเข้าใจครับว่ารู้ตื่นเบิกบานื่อทีก็ตื่นแต่ว่าตื่นเพราะเพรา ะ, เพราะตกใจเราตกใจเราจึงตื่นอันนี้เขาเรียกว่ายังหลับอยู่ภาษาธรรมะนะคือยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ตื่นพอตื่นมันก็ตกใจ ตื่นตรนกแต่ถ้ารู้ตื่นและจะเบิกบานคำว่ารู้ในที่นี้หมายถงึงการรู้รู้อารมณ์รู้กิเลสตันารู้ราคะรู้โทสะรู้สิ่งที่เราหลับไหลมานานรู้นี่หมายถึงรู้แจ้งรู้เห็นตาม ความเป็นจริงที่มันเป็นมันเป็นทุกข์กรู้ว่ามันเป็นทุกข์มันสุขเราก็รู้ว่ามันเป็นสุขมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์เราก็รู้ว่ามันไม่มีคือถ้ารู้ตามความเป็นจริงเขาเรียกว่ารู้อริยสัจถ้ารู้อย่างนั้นแล้วมันจะตื่นจิตเนี่ยอย่างการที่เรามาจเจริญสติเนี่ยทำให้มันรู้รู้ ปวุกเราตัวรู้ให้มันเกิดขึ้นมาคือไม่ได้ทำให้มันสงบนะท่านทั้งหลายต้องเข้าใจนะปฏิบัติธรรมไม่ได้ให้ทำให้มันสงบถ้าเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมทำเพื่อความสงบนะมันจะเพี้ยนไปในหน่อยมันจะไม่ตรงอย่างความง่วงจะเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้มันง่วงแต่เราไม่ได้ทำให้มันสงบนะแต่ให้ตื่นจากความง่วงเฉยๆตื่นออกมา อย่างกลังง่วงก็พยายามเราความรู้สึกตัวสร้างจังหวะเดินจงกรมกําหนดรู้รู้เพื่ออะไรเพื่อให้มันตื่นตื่นออกมาจากความง่วงแล้วความง่วงจริงๆแล้วมันก็จะหายไปหรือมันไม่เข้ามาจับอยู่ในจิตแล้วเพราะเราตื่นออกมาจากความง่วงแต่ถ้าเราไปอยู่ในความสงบเนี่ยมันจะหลับไปเลยมันจะซึมซึมลงไปนั่นไม่ได้ทําให้มันนิ่งนะอันนี้แต่ให้มันตื่นตื่นนี่เห็นว่าเออความง่วงเนะี่ยเป็นทุกข์นะ อะไรที่ไม่รู้ที่มาเกาะเกี่ยวผูกพันใจิตใจเราเอาไว้เราก็อยากหนีจากภาวะอันนั้นนะอย่าให้มันหลุดออกจากจิตเราความง่วงอย่างความคิดเนี่กะให้จิตมันตื่นตื่นออกจากความคิดมันคิดรู้มันคิดนะแต่ไม่ได้ทําให้มันสงบนะรู้มันคิดแต่เราพยายามรู้สึกตัวถ้าความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นจิตมันก็จะหลุดออกจากความคิดอันนั้นแล้วมันจะกลายเป็นความตื่นโพงความสว่างขึ้นมนาะ ถ้ารู้แบบนี้นะมันจะตื่นจิตแล้วมันจะเบิกบานจิตจะแจ่มใสแต่ถ้าเรามาแสวงหาความสงบเนี่ยจิตมันไม่ตื่นสงบก็คือสงบพอลืมตาขึ้นพอมันก็เหมือนเดิมมันทำมันี้ทำเพื่อให้มันจิตมันตื่นนี่เป็นผู้รู้รู้อย่างต่อเนื่องรู้อย่างละเอียดรู้สึกตัวทุกอริยบทตรรู้เพื่อเพื่อให้จิตมันตื่น เป็นพุทธพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นรู้นะแล้วจึงตื่นแต่ถ้าตื่นแบบตกใจมันก็ตื่นเหมือนกันะแต่ตื่นแล้วมันจะหุบลงเหมือนเทิมมันไม่เบิกบานแต่ตื่นในนี้มันจะเบิกบานมันจะแจ่มใสอยู่ภายในเขาเรียกหนึ่งเรียกว่าโพธิสติเรียกตัวโพธิโพธิจิตมีภาวะพุทธอยู่ในตัว นีเรามาปลุกให้ตัวพุท ธ, ธนนนนะนี่มันตื่นเลืมตาขึ้นมองไกลๆนี่วันตีเจตีห้าแล้วเนี่ยเชียงรายนี่ไม่หนาวเท่าสกลนคร น, นะสกลนคร น, นี่หนาวกว่านี้ยิ่งถ้าไปอาบน้ําตอนเช้าก็ยิ่งจะหนาวแต่ถ้าอยู่ข้างบนในลมไม่พัดนี่มันไม่หนาวบนนี่ถ้านัางลมพัดเข้ามาี่ ทนหนาวนะใครมีถุงเท้าถุงมือถุงหัวถุงอะไรก็ใส่เข้าไปกันหนาวเอาไว้แต่มนุษย์เราพออบอุ่นหน่อยก็เอาไปติดความอบอุ่นอีแล้วนะครับไม่อยากสร้างยังวะอีกและนั้นก็ใส่ได้นะมีเสื้อกันนุ้งกันหนาวใส่เข้าไปมีเครื่องทําน้าร้อนน้ำบุนก็เสียบก็ไปแต่เวลากลางวันตอนพระไปบิณฑบาตเนี่ยอย่าไปนอนเนะ ถือไม่กวาดคนละหนกับกวาดทำามสะอาดไปและ ล, ลึกลุ้มไปคือทำให้จิตมันตื่นโดยอาศัยการงานเป็นเครื่องมือก็ช่วยได้ก็ได้งานได้การคล้ายๆว่าชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่อการแก้ทุกข์แต่มนุษย์เราก็ต้องมีอยู่มีกินมีธุระาที่การงานแต่ไม่ให้จิตมันจมเข้าไปในการในงาน เราทําการงานแต่ว่าเราจะให้จิตเนี่ยมันรู้ตัวตลอดเวลากวาดก็รู้สึกตัวเดินไปบินธบาตก็รู้สึกตัวอาบน้ําก็ให้รู้ที่แรกก็ตื่นจากนิวนรณ์พวกนี้แหละตื่นออกมาต่อมาก็ตื่นจากความคิดเนี่ยเรามันคิดก็ให้ตื่นตรงนั้นดีให้ไม่อยู่กับตัวปัจจุบันไม่ให้มันเข้าไปในความคิดล่วมันคิดให้ตื่นทันทีเลยตื่นตัวและลึกรู้ตลอดเวลาแต่อย่าไปจ้องดูมันอีกนี่นะ ถ้ไปจ้องดูความคิดพอกลัวจะเข้าไปในความคิดก็เป็นความกลัวเกินไปอนั้นรู้สึกตัวเบาๆมันจะมีพลังหรอกวันใดวันหนึ่งที่มันมันจะตื่นจากคนนี้เองโดยธรรมชาติเขาเรียกว่าสติมันปรากฏเมื่อไหร่ที่มันตื่นเบิกบานแจ่มแจ้งมันเขาเรียกว่าวิปัสนาญาณเกิดแต่ถ้ายังไม่ตื่นมันก็ไม่เป็น ยังไม่เป็นวิปัสนาญาณเมื่อก่อนเราเคยมีแต่คําว่าถ้ามันง่วงมันเหงาก็โดยสัญชาตญาณเราก็คือง่วงเลยนั่นเรียกว่าสัญชาตญาณคือสิ่งที่เป็นมาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเวลาความโกรธเกิดขึ้นในใจเนี่ยเราก็ไหลไปกับความโกรธหรือถ้าคนไหนมีซ e ูเปอร์อีโก้ดีๆหน่อยก็คืออดทนเอา ใช้ตะ ก, กะใช้อะไรเข้ามาช่วยใช้ปรัชญาใช้พวกเนี้ยเป็นเครื่องเตือนจิตตัวเองในระดับหนึ่งมันก็เอามันก็เงียบหายไปได้แต่ว่าจิตมันก็ยังไม่ตื่นทีนี้ถ้ามันจะตื่นก็ต้องรู้สึกตัวตลอดเวลารู้มันโกรธแล้วนะเนี่ยถ้าบ่อยๆ บ, บ่อยเข้าบ่อยเข้าไ่เข้ามันจะมีหรอกวันหนึ่งเนี่ยมันจะหลุดออกไปได้ หลุดออกจากภาวะข้อความห่อหุ้มของกิเลี่นของอารมณ์อย่างเราจะคว้างอะไรสักอย่างเนี่ยคว้างไปเลยนี่มันไม่แรงนะจีนีมันก็ต้องเวียนสักรอบสองรอบก่อนลองดูก่อนนะหรือเวลาเราวิ่งเนี่ยวิ่งช้าช้อยู่ๆแล้วโดดจึ๊กออกไปเลยเนี่ยมันไปไม่ไกลมันต้องวิ่งมาสัระยะหนึ่งเดินวิงวิ่งเหยาะเหยะยะมาก้าวขายาวโดดพึ้งไปเหมือนนักกีฬาเขานาะ เหมือนกันน่ะแต่ระลึกรู้บ่อยๆทีละน้อยละน้อยละน้อยละน้อยมันมีวันหนึ่งสามารถเบี่ยงไปได้เลยปึ๊บก็ไปเหมือนที่ในตำราเขากล่าวไอ้ว่าการทิ้งความคิดทิ้งอารมณ์ทิ้งกิเลสตัณหานเหมือนสเลด ท, ที่อยู่ปลายลิ้นพอความคิดเกิดขึ้นถ่มทิ้งทันทีนะสนัดหลุดพุดออกไปใจเราก็เป็นแบบนั้นแหละให้เห็นมัน บางทีเขาว่าผู้รู้ผู้เห็นเจติแรกก็เป็นผู้รู้ทุกแต่ว่ายังไม่เป็นผู้เห็นทุกทยิ่งคำพวกนี้มือนเหมือนกันนะแต่พูดถึงว่าถ้าการเห็นนี่ก็จะสว่างกว่าการรู้ธรรมดาหน่อยเหมือนธรรมจักสุพุทธจักสุนย่เงี้มันสติธรรมดาที่เราเลอะเลือกรู้กับสติในระดับสติปัฏฐาน สติธรรมดาก็คือการแก้ปัญหาตามตามความรู้สึกนึกคิดตามสัญชตาตญาณมันห่วงมากบางทีก็ไปนอนนะบางทีหรือไปออกกำลังกายไปเต็นโน่นเต็นนี่ออกกำลังเหยียดแข้งเหยียดขาก็หายได้แต่ว่ามันมันไม่ใช่การะระลึกรู้ในอารมณ์แล้วภาวะนั้นจิตมันก็ เวลามันตื่นเนี่ยมันก็ตื่นได้สักพักหนึ่งตื่นตามสัญชาตญาณแต่มันไม่เกิดอาการของวิปัสนาญาณวิปัสนาไปว่ารู้แจ้งต่างเก่าล่วงภาวะเดิมเนี่ยมันต้องเกิดจากการระลึกรู้เห็นอารมณ์ชัดๆก่อนฉั้นอย่าไปทุกข์กับมันนะเวลาเกิดอารมณ์โดดกรธเกลียดรักชังงุนหงิดง่วงเหงาเนี่ยเห็นมันเฉยๆแล้วพยายามปลุกตัวเองให้มันตื่นอยู่บ่อยๆระลึกรู้อยู่บ่อย เคาะขแข่งข้อขาากำปับบ้นฟาดบางอะไรบางให ล, ลึกรู้จะไม่ได้ทําด้วยความโกรธนะแต่ทําเพื่อให้มันตื่นตัวตื่นออกจากความง่วงตื่นออกจากความเบื่อตื่นจากความคิดกลับมาอยู่กับปัจจุบันใะ้ลึกรู้ให้มันต่อเนื่องอันนี้ไม่อาศัยภาษาไม่อาศัยคําพูดไม่อาศัยอะไรแต่ให้จิตมันลึกรู้อาการมันจริงๆไม่ต้องบริกรรมอันนี่ย ไม่ต้องไปบริกรรมไม่ต้องจริงๆพุทธศาสนาก็อยู่ใกล้ๆตัวนะแต่บางคนก็ยังไปทำกสินทำนนทํทำนี่ไปทั่วทําไมเขาไม่เข้าใจอ่ะใกล้ๆเองคือระลึกรู้เฝ้าดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกายในจิตในอารมณ์นี่เฉยแต่ต้องอาศัยสติแต่อย่าไปอาศัยสมาธินะบางคนจิตเป็นนิ่งอยู่กับสมาธิ มันก็จะตกผวัาลงไปแล้วมันไม่มีกําลังพอที่จะสลัดตัวเองหลุดออกจากภาวะของโมหะทั้งหลา ย, ยความตื่นตัวเนี่ยเป็นกําลังเป็นกําลังของวิปัสนายิ่งคนไหนมีกําลังมากแล้วมันประกอบด้วยความเห็นทุกข์ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเกิดนิพพิทาเกิดวิราคะเกิดการเห็นแจ้งขึ้นมาเนี่ยยิ่งสลัดหลุดออกไปไกล ความทุกข์ไม่เข้ามาใกล้เขาบอกว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ไกลจากกิเลสก็กิเลสกับจิตมันก็อยู่คนละอันกันงั้นเรามาปฏิบัติธรรมนี้ก็มาเจริญรอยตามผู้ที่เขารู้ตื่นเบิกบานความทุกข์ไม่ได้เกิดจากไหนเกิดจากความคิดเราเองเกิดจากกาันกันเมา ค, ความคิดรเรื่อโมหะ เราเมาความคิดเมื่อกี้เขาพูดว่าความคิดเกิดแล้วมันจะเป็นอารมณ์มันคิดขึ้นมาแล้วมันเป็นอารมณ์ใช่ั้มดูนะเราหรือว่ามันเป็นอารมณ์มีอารมณ์อยู่ลึกๆมันจึงคิดหรือมันคิดแล้วค่อยมาเป็นอารมณ์พวกนี้เราจะมาสังเกตเนี่ย สติที่มันตื่นอยู่แล้วเนี่ยเราจะมาสังเกตดูเรื่องพวกนี้ดูบ่อยเข้าบ่อยเข้าเราก็จะรู้ความจริงพวกนี้ยิ่งรู้ความจริงของสัจจะของสมุทยัยทุกมากเท่าไหร่เนี่ยจิตมันก็ตื่นมากเพาะนั้นพอตื่นมากมันก็เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใส น, นะบางคนปฏิบัติทำได้สักวันสองวันจะเกิดปีติก็จะเมาปีติอีกนะทีเนี้ สัดับตัวปิติให้ดูแต่ตัวสติล้วนๆนะสติเนี่ยให้มันดูล้วนๆให้เห็นนาการที่เกิดขึ้นนี่ล้วนๆแต่อย่าให้ตัวสติเรานี่ไปเกลือกกล่ัวด้วยอารมณ์ไม่ว่าดีหรือไม่ดีก็คือเคาละเลยลึกรู้อยู่บ่อยๆบางคนไม่กล้าขยับกลัวสมาธิหลุดคือสมาธิให้หลุดออกจากอารมณ์ของความปรุงแต่งนั่นะ หลุดออกจากความปรุงแต่งหลุดออกจากความสงบสงบนี่ก็ต้องหลุดออกด้วยนะหลุดออกไปจากความสงบนั้นออกมาเป็นอิสระเหมือนหลวงพ่อเทียนท่านกล่าวว่าให้มันอยู่นอกถ้ำนะอย่าสงบแบบในถ้ำต้องอยู่นอกถ้ำให้ใจลึกลึกนมองไกลไกลสำหรับท่าทางเปลี่ยนท่านั่งให้มันตื่นตัวตลอดเวลา อุปสรรคของการปฏิบัติธรรมที่สําคัญที่สุดคือขี้เกียจแหละขี้เกียจตื่นขี้เกียจ ร, รู้บางทีถ้าเราขี้เกียจที่จะรู้จิตมันก็ไม่ตื่นนะปัญหามันก็มีนิดเดียวขี้เกียจบางทีก็ไปได้ยินได้ฟังสิ่งที่ตรงแล้วถูกเนะี่ยอางเขาสอนเออทอานี้นะทำนั้นนะเขาสอนถูกแต่เราก็ขี้เกียจทำเพราะเรา มีความรู้สึกว่าเราอยากได้ผลตอบแทนไปไวทาวันนี้อยากได้วันนี้ทําตอนนี้อยากให้เกิดตอนนี้หรื อ, รอบางทีทาแล้วก็อยากได้อาการอะไรสักอย่างแต่นี่ไม่ทาเพื่อรู้เฉยเรู้กายรู้จิตรู้กายก็เพื่อออกจากกายออกจากกายคือร่างกายของเรามันมีอะไรลนะ่ะ มีความสำคัญมันหมายเขาเรียกว่าสักกายะทิฏฐิความเห็นว่าเป็นกายกูกูแก่กูเจ็บกูป่วยเห็นว่ากายเนี่ยเป็นของเราคุณธรรมของพระโสดาบันนะที่แรกก็คือละตัวเห็นว่ากายนี้เป็นตัวตนของตัวเองก็คือพยายามเห็นให้มันเป็นรูปเป็นนามให้ได้นั่นเองแนะในวิธีการจเจริญสีแบบเคลื่อนไหวเนี่ คือให้เห็นว่ามันเป็นเพียงรูปและลึกรู้ออกจากความสําคัญบั่นหมายในความเจ็บความปวดความเมื่อยความขี้เกียจความอรรถอร่อยความดีความงามความอะไรนะกูสวยกูงามกูเด่นกูดังเนี่ยกูไอ้ที่สวมสมมุติทั้งหลายเนี่ยสลัดออกนะที่มันเอามาสวมให้กับเราเนี่ให้เป็นการเคลื่อนไหวของรูปล้วน เขาเรียกว่าให้รู้จักรูปนามภาษาเขาเรียกว่ากายานุปัสนาตามระลึกรู้อาการกายให้เป็นเพียงสัตว์แต่ว่าอาการมันเฉยเฉยหรือเขาเรียกว่ากายาขตาสติสติระลึกรู้เห็นกายสัตจธรรมกายไม่ได้มองว่าเป็นสัตว์ เป็นกูเป็นมึงเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอืคนนั้นบังคับคนนี่ขู่เข็นคนนั้นอาการพวกนี้อยากให้มันเข้ามาในใจให้ให้มีความรู้สึกว่าเราปฏิบัติทำเจริญสติเพื่อออกจากทุกข์เฉยๆเนี่ยออกจากความหลงเข้าไปในในความสําคัญมันหม่ว่าเป็นกายเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมีย เป็นหน้าที่เป็นการเป็นงานเป็นโน่นเป็น น, น, น, นี่เป็นความสําคัญเนี่ยโน่นนี่นะมันก่อนคนถามปัญหาปฏิบัติทรมานานอนะ่ะแต่อดดูโทรทัศน์ไม่ได้ทุกคนทำอย่างนี้ได้ไหมจเจริญสติไปแล้วก็รู้ไปนะ่ะดูทีวีไปก็แล้วรู้ที่มือไปโนตาว่าอันไหนไมันจะมากกว่ากันทีวีมันเอาไปกินแปดสิบเอร์ซ็นตเพราะมันชอบไงมันถึงไปดูะ จะเจริญสติไปทุกวันนะแต่ตอนดูทีวีก็เลยลึกรู้ไปดูทีวีไปเลยลึกรู้ไปหลังจากนั้นละ่ะคือจิตมันมันชอบมันอยากดูอะไรสักอย่างแล้วก็เลยไปดูพอไปดูแล้วมันได้สิ่งที่มันดูแล้วมันก็มายิ้มแห้วเนาะแล้วเอาสิ่งที่ดูแล้วเนี่ยมาปรุงแต่งต่อมันก็ยาวไปอีกแต่ตอนดูน่รู้ไม่รู้ว่ากาลังดูอยู่ไง มันเหมือนกับเอืออุปมาให้ฟังชัดๆคืออยากฆ่าคนนี้วะก็เลยไปก็ฆ่าคนนี้แต่ว่าฆ่าตอนฆ่าน่ะรู้สึกตัวไหมมันก็รู้อยู่จับมีดฟันเขาเนี่ยแต่มันไม่รู้ถึงอารมณ์ลึกๆนั่นฮะรู้ถึงโทสะโมหะข้างในเนี่ยมันไม่รู้มาหลายคนนะบางทีเนี่ยนั่งหลับอยู่เนี่ยหนูก็รู้นะว่าหนูหลับนะโอ้ยมันไม่รู้หรอมันไม่รู้ลึกกันอาดนั้นนะถ้ามันรู้มันไม่หลับหรอก อันนี้มันหลับนี่มันยังไม่รู้นั้นจึงพยายามฝังตัวรู้ลงให้มันลึกๆขยับเปลี่ยนท่านั่งหน่อยนั่งทับส้นนักอะไรเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยสังเกตนะเวลามันจะหลับนี่มันเอามือสุ้เข้าขาเนี่มันไปดันดีนะเริ่มตาคว้างๆมองกไกลๆเมื่อวานโยมคนหนึ่งเข้ามาถามถามเรื่องนี้แหละว่า โ, โยมก็อดทนนะวันนี้ ไม่ดูทีวีมาตั้งหกวันแล้วอดทนเดินอยู่กลมเดินไปเดินมาอดไม่ได้อยากไปเปิดดูว่าพูว่าคนไหนได้เพราว่านะไม่รอดเลยพย า, ายามอดทนเต็มที่แล้วว่าจะไม่ดูไม่ดูมันก็คิดอยู่นั่ น, หนแหละแล้วเขาก็ถามว่าแล้วเขาเป็นคนเล่นหุ้นอยู่ด้วยนะี่ยเขไม่รู้เรื่องไม่ดูหลายอาทิตย์ไม่รู้มันตก ใครนูน้นครนี้หมดไปหลายแสนลุต mm. าก็เลยบอกว่านหมดก็หมดแล้วทําไงได้ถ้ายากเห็นทํามากกว่านั้นก็หมดให้มันหมดเลยก็ดีหรือไม่ก็ทําซะสักตอนใดตอนหนึ่งขายมันซะหรือเอาออกมาซะหรืออะไรก็ได้ที่มันไม่เป็นเชื้อในการเลี้ยงกิเลสเราอื mm. แล้วมันไม่ตกไม่ตกกังวลนะ่ะแล้วค่อยาไปทําใหม่ ถ้าอยากทํำนะดังนั้นมันก็วี่ต ก, กังวลอยู่นั่นแหละถามต่อว่าเ อ, อมื่อวานพูดว่าได้แล้วเป็นยังไงดีใจเพราะว่าถูกใจกับคนที่คิดไว้แน่เห็นไหมมันก็ปรุงต่อไปอีกนะแล้วถ้าเขากําลังจะสอบสวนว่าคดีนั่นคดีนี้อีกละอ้าวทําไมต้องสอบสวนถ้ามอาอีกล่ะเห็นไหมมันจะปรุงไปเรื่อยมันไม่หยุดหรอกจิตเนี่ย มันจะไปรับรู้เรื่องอะไรแล้วถามว่าช่วยอะไรเขาได้บ้างไม่ได้เลยจะพลิกอะไรก็ไม่ได้มันแต่เราก็อดปรุงแต่งไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าความชอบเรามีอยู่แล้วเดิมๆเนี่ยความชอบมันมีแต่เมื่อไหร่ที่ชอบนะคนไหนมาทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามเนี่ยมันจะชังมันก็อยู่แค่นั้นแหละชีวิตเนี่ยอารมณ์เรามีเราชอบคนเนี้ยถ้าใครไม่ทําไม่ถูกใจแล้วก็ชังก็เกลียด นั้นวิธีการคือทําไงจะไม่ชอบไม่ชังก็คือต้องปล่อยวางถ้าไม่จะปล่อยวางได้ก็หาเหตุผลให้กับตัวเองหน่อยดิมันอยากดูไม่อยากดูเนี่ยเพราะอะไรทําไมจึงชอบทําไมจึงชังแล้วก็ดูเหตุผลที่เกิดขึ้นจากการชอบเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรตามมามันชังแล้วมันเกิดกอะไรตามมามันอยากรู้รู้แล้วเกิดอะไรขึ้นทีนี้หลังจากนั้นในจิตเราเนี่ย สมาธิมันดีขึ้นไหมมันสามารถพัฒนาไปเป็นปัญญาได้ไ้มเป็นสมาธิได้ไหมบางทีมันก็รู้แต่รู้ความความนิ่งมันไม่พอเพราะว่าเอ้าหลังจากรู้แล้วออกมาก็สบายใจมาปฏิบัติทมก็โล่งดีนะเาอกมาโล่งเพราะมันได้กินอะไรสักอย่างอ่ะมันโล่งแต่มันไม่เกิดจากการรู้ตามความเป็นจริงแล้วมันมาตื่นเนี่ยมันจะคนละสภาวะกันอันนั้น รู้สนองตอบกิเลสแต่ไม่ได้รู้อริยสัจ ท, ทุกขสมุทัยเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นมันยังหลงอยู่ว่าไอสิ่งที่รู้นั่นมันเป็นเครื่องมือของธรรมะโดยซ้ำไปบางทีจยิงงเป็นเครื่องมือของกิเลสนะบาคนนั่งหลับก็บอกก็รู้สึกตัวอยู่นะตอนหลับเนี่ยไ ม, ไม่พอคือรู้นี่รู้ให้เห็นความหลับเน่ะเป็นทุกข์หน่อย แล้วพยายามที่ออกจากมันให้ได้ทีนี้ออกจากความหลับออกแบบรู้ตื่นเบิกบานกับออกแบบชั่วคู่ชั่วขนาหรือตื่นโตนกเนี่ยมันจะคนละอันกันนะยมผู้หญิงยังดีนะยังมีผมพระนี่ไม่มีผมเวลานั่งก็พระเป็นชีนี่เย็นหัวถ้าจะใส่หมวกก็หมวกก็ ไม่สวยงามเท่ากับหมวกโยม <c oughs> ใส่เข้าไปโยงก็จะหมวกดีกว่าก็จะหลับดีกว่าอีกแล้วเป็นตัวอย่างไม่ดีอีกเอาไม่พาเข้าใส่ดีกว่ามัน <c oughs> ทุกอย่างอยู่ที่ใจนะที่ใจปลุกกระแสของจิตแทนที่มันจะไหลเข้าไปในความคิดไหลไปในอารมณ์เราก็ดึงมันออกมาอยู่กับปัจจุบันให้มันรู้กาย เอาเดินไปก็รู้เท้าคือทีแรกก็รู้จุดใดจุดหนึ่งก่อนจนกระทั่งว่ามันเกิดรู้ที่จะปล่อยวางความสาคัญวัมายในกายนี้ได้นั่นแหละถ้าไม่รู้แต่จุดใดจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นความคิดมันคิดไปโน่นคิดไปนี่นี่เราให้มันรู้ในะจุดหนึ่งลยลึกรู้ไว้ก่อนก็พยายามประคองรลยลึกรู้ไปและวนานเข้านานเข้ามันก็จะเริ่ม เริ่มเป็นสมาธิเพราะว่สมาธิคือหมายคึงว่ามันเริ่มเห็นภาพ ร, มรวมๆว่ามันเป็นทุกข์การที่มันวิ่งออกวิ่งออกอยู่เรื่อยๆนี่นั้นเราก็ให้มันวอลบอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วประคองตัวตื่นนี้มันมีมากขึ้นมากขึ้นเราปฏิบัติทํามนี่เรามาเฝ้าดูปรากฏการณ์ของความยึดมั่นถือมั่นนะในจิตเราเนี่ยแต่เราการยกมือสั้นะเป็นการช่วยประคอง ประคองการดูการรู้เนี่ยมันชัดขึ้นชัดขึ้นแต่มันที่มันวิ่งไปก็นอนเราสร้างจะงหวะก็ดึงตัวรู้มาให้อยู่กับเราเพื่ออะไรเพื่อจะดูทุกดูกายนี้เห็นกายนี้จึงเกิดความเหนื่อยหน่ายใคลายกำลัดในกายทําให้มันชัดเจนขึ้นในเรื่อยทีแรกเราก็อย่างว่าออกจากสิ่งที่เราชอบมากที่สุดนะอย่างตอนเช้านี่ชอบง่วงใช่ไหม สิที่เราชอบมาที่สุดคือการหลับกันง่วงเนี่ยเราก็พยายามดูจกระทํางเราเห็นความจริงของของความง่วงนี่มันคืออะไรความชอบก็เป็ น, นความง่วงคืออะไรอย่างของว่าสามสามสี่ชั่วโมงก็พอแล้วนอนนี่เมื่อกี้ก็เพิ่งตื่นมาเนเกเลยอยจะมานั่งหลับเอาเอีกเนี่ยเพราะอะไรเพราว่ามันเคยหลงหลงว่าความง่วงเนี่ยมันอ ร, อร่อยเสเละเกินบางที้ แต่ถ้าเราออกจากความง่วงไม่ได้เวลาเราไปกินอาหารมันก็ตื่นอยู่นะจิตมันตื่นๆอยู่แต่ว่าตื่นเพราะรสชาติอาหารแต่ยังไม่ได้ตื่นจากความง่วงพอกินอาหารเสร็จปุ๊บมันก็หลับอีกเนี่ยเพราะมันยังไม่ตื่นดังนั้นปฏิบัติทำเนี่ยจึงมาทําให้จิตมันตื่นซะพระพุทธองค์เนี่ยเป็นบุคคลที่ไปรู้เรื่องอันนี้ความลับบันนี้แล้วนํามาสอนพวกเราทั้งหลาย บางทีถ้ามันยังไม่ตื่นมันยังออกจากความคิดความปลงแต่งออกจากอารมณ์พวกนี้ไม่ได้บางทีก็บางคนก็คิดเอาคิดเพียินิดวิเคราะห์พิจารณาตรงนั้นตรงนี้นะบางทีการนึกกันคิดการพิจารณาเนี่ยมันไปถูกจังหวะมันนะ่ะจังหวะที่สติมันมีมันก็หลุดพวกออกมาได้เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ได้แต่ในวิธีการหลงพวเทียนเนี่ยจะใช้ ทุกขบวนการเลยพอเราลึกรู้แล้วเฝ้าดูอยู่เรื่อยๆเนี่ยการพิจารณาใช้การขบคิดปิจนาธรรมใช้สมถะใช้วิปัสนาใช้คื อ, คอกระตุ้นให้มันเกิดตัวตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานทั้งหมดให้ได้แต่เมนหลักของการปฏิบัติทมจริงๆเนี่ย ก็คือให้รู้อยู่กับปัจจุบันให้มันชัดๆนี่เรื่อยๆอย่างที่ท่านบอกว่าถ้ารู้สึกตัวนี้มันก็ไม่คิดไปแต่ถ้าคิดไปมันก็ไม่รู้สึกตัวเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่บางคนทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้บางทีเอาดีแล้วแต่มันทั้งคิดทั้งรู้นะมันยังมีพลังสามารถแยกเขียนสองอันนี้อยู่ด้วยกันได้ทีนี้ก็ เราจะไปฝ่ายไหนนะฝ่ายคิดหรือฝา่ายรู้ถ้าฝ่ายคิดมันก็คิดไปขั้นถ้าอยู่กับฝ่ายรู้สึกตัวเราเติมความรู้สึกตัวให้กับความรู้สึกนี่เยอะๆพยายามประคองอะไลึกรู้ให้ต่อเนื่องยาวนัานเอาไปมามันก็จะหลุดออกจากความคิดเองได้โดยโดยธรรมชาติสําคัญว่าเวลามันคิดแล้วมันบางทีมันก็ไอความคิดดีๆมันจะเริ่มไหลขึ้นมาไหลขึ้นมา คิดดีคิดธรรมะคิดโน่นคิดนี่ขึ้นมามันจะไหลเข้าไปในความคิดอ น, นันตและเราก็ไม่ไม่อยากออกเพราะมันสนุกมันเพลินแต่ไม่ว่าจะเป็นความคิดดีคิดไหม่ดีเราก็มองว่าเออมันก็คือความคิดเหมือนกันเนะ่ะคิดมากมากกนหนักหัวนะบางทีคิดมากมา ก, มา ก, มากเนี่ยหนักหัวปวดหัว ยิ่งถ้าคนไหนปฏิบัติธรรมแล้วมีสติระดับหนึ่งเคยได้อารมณ์เคยเลยอย่างนี้จ้าเวลามันคิดมากๆมันจะปวดหัวไวยพูดเนี่ยมันจะจี๊ดขึ้นมานทีคือมันรู้สึกไวว่ามันหนักเมื่อก่อนคิดมากก็ไม่หนักกลบเกลื่อนไปได้เรื่อยๆหาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้มาคิดกลบเกลื่อนไปแต่พาะสติมันมันดีสักระดับหนึ่งพอเห็นความคิดมันชัดเคยเห็นมันชัดๆแล้วเนี่ย เวลามันติดอารมณ์เนี่ยมันจะติดมันจะเห็นชัดแล้วจะทุกข์มากแล้วมันจะอยากออกไวๆเพราะเหนื่อยหน่ายตัวความทุกข์พวกนี้ความคิดความปรุงแต่งเริ่มตากว้างๆเด้อคนทางเหนือนี่ง่วงมากเนาะ <c oughs> มันเป็นที่เชื้อหรือกรรมพันธุ์ไม่รู้นะคือมันเป็นเหมือนกัน บางคนก็เถียงอีสานก็เหมือนกันแหละมันไม่ยอมนะท่า <c oughs> น, นก็อยู่ที่เรานั่นแหละที่แรกมันยังออกจากความงวงไม่ได้แล้วก็หาเรื่องคิดบ้างก็ได้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ด่าตัวเองบ้างแล้วก็ตามด้วยตามความรู้สึกตัวพยายามประคองความรู้สึกตัวไปด้วยยกมือแรงๆอะไรประมาณนั้นให้มันตื่นตัวรู้สัวเอ้ย ความง่วงเนี่ยเป็นอุปสรรคนะจะต้องออกจากความง่วงนี้ให้ได้จะต้องตื่นตื่นจากความง่วงนี่ที่จะตื่นมันก็ต้องรู้มันรู้ให้รู้มันเกิดจากอะไรมันง่วงมันมาตอนไหนมันตั้งมั่นอยู่ในเพราะอะไรแล้วเวลามันดับไปเนี่ยมันดับไปยังไงก็สังเกตดูบางทีมันอาจจะดับทีละน้อยละน้อยในน้อยก็รู้สึกเอาเราขยับตัวนี้มันมันทําไมมันไม่ง่วง ยกมือส่วนสูงทําไมมันไม่ง่วงหรือเราหลับตาลงเนี่ยทําไมมันจึงอยากหลับลงไม่เร า, ต, าตั้งท่าตั้งท่าตั้งขาสู้กับมันดูดิไอตัวง่วงที่มันซึมมาเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเรียนรู้ทุกตามความเป็นจริงถ้าคนไหนเรียนรู้สิ่งที่ยากที่ชีวิตมันชอบชอบแบบนี้ได้เนี่ยไอ้ข้างนอกนี่มันเรียนรู้ไม่ยากเท่าไหร่หรอกการรู้ทุกเนี่ยสต่สำคัญคือ มันต้องเรียนรู้ทุกที่เกิดจากสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ใช่ทุกน่ะนะ่ปัญหาอย่าความง่วงความเหงาความคิดเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเป็นทุกนะที่พอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทุกเพราะอะเพรามไม่มีสมาธิมันมารบกวนเราทําให้เราหนักเป็นภาระภาระหวีปัญจ ก, กันธาเป็นภาระที่ต้องแบกนหะนักเข้ามาในใจสลัดไม่ออกความหนาวเนี่ยมี จริงไหมถ้าเราเอาความหนาวตรงไหนตรงมือตรงไหนก็ได้ไปใส่ไฟเนี่ยมันจะสลายไปมันไม่มีแต่ต้องสร้างเหตุปัจจัยขึ้นมาแต่ถ้ามันไม่มีความร้อนไม่มีความอบอุ่นมันก็หนาวเหมือนกันนะจิตของเราก็เหมือนกันนะที่มันติดความวง่วงความเหงาเนี่ยพอเราพอเราสร้างเหตุปัจจัยของสติของสมาธิเข้ามาในจิตมันไม่พอ พอไม่พอแล้วก็โอ้ยทำไมง่วงจังทําไมเหงาจังเอ๊ะทาไมมันคิดมากจังอ่เะเพราะะรเว่าเหตุปัจจัยของธรรมเนี่ยมันไม่พอเมื่อไม่พอไอโมหะคือความเคยชินความหลงเข้าไปในอารมณ์เนี่ยมันก็จะคลุกเคล้าอยู่อย่างนั้นนะท่านดีตั้งใจนะสติต้องต้องสังเกตภายในนะแต่อย่าจ้องเข้าไปแล้วลึกดูดูอาการของทุกข์นะในเบื้องต้นเนี่ยนี่เราทุกข์ว่าอะไรตอนเนี้ ทุกข์เพง่งวงเลยทุกข์เพราะยังไม่รู้สึกตัวแล้วความคิดมันจะเกิดแล้ ว, ลวก็รู้สึกเยอะๆเอาทีละน้อยละน้อยไปยิ่งคนไหนมักน้อยสันโดษมากๆเนี่ยคนนั้นก็จะเกิดปัญญาตื่นโพงได้ไหวคนไหนโลภอยากได้มากเนี่ยมันจะทุกข์เยอะเวลาได้อารมณ์ก็กลายเป็นปิติสูงเกินไปไม่เป็นปัญญาสักปรอง ค, ความรู้สึกตัว ให้ต่อเนื่องยาวนานที่สุดจนกระทั่งมันเป็นรู้แล้วมันจะตื่นเบิกบานนั่นแหละตั้งใจให้มากตั้งใจคือตั้งใจไม่ให้มันล้มไม่ให้อะไรมันมา ค, คราุกเขามันจนกระทั่งว่ามันล้มออกจากความปกตินะใจเนี่ยตั้งยากมากแต่ทางโลกนี่ตั้งใจทําการทํางานอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันอันนั้นมันไม่พอที่จะตั้งใจถึงกับความเป็นมรรคเป็นผล ตั้งใจออกจากความทุกข์นี่มันไม่ใช่อันนั้นมันตั้งใจเพื่อเพื่อจะทำงานหาเงินหาทองหรือว่าทาอะไรสักอย่างเนี่ยตามแบบโลกโลกเนี่ยคือถ้าจะพูดไปชีวิตเนี่ยมันตั้งใจเต็มที่อย่างอย่างพระอาหารหันต์เนี่ยตั้งใจเต็มร้อยปกติชาวโลกเขาตั้งใจทำงานทำการก็ประมาณสักสิบยี่สบประมัน คือชีวิตเขายังไม่ได้ใช้พลังที่มันมีอยู่ทั้งหมดในการที่จะตั้งใจคือมันตั้งใจนิดเดียวนี่มันก็ได้ได้รางวัลจากโลกกว่านี้แล้วได้ความโลภได้ลาบได้ยศได้สารเสริญได้สมมุติทั้งหลายมากพอในการที่จะให้หลงอยู่กับสมมุติทั้งโลกี่ย คือมันเป็นรางวัลชนิดหนึ่งถ้าเราตั้งใจนิดหนึ่งก็ได้รางวัลชนิดหนึ่งแต่ถ้าเราตั้งใจเยอะๆมันก็จะกลายเป็นมรรคผลเป็นนิพพานได้มันต้องตั้งใจสูงๆอันนี้ตั้งใจตั้งใจไม่ให้อะไรเข้าไปในใจแต่ทางโลกนี่ตั้งใจเพื่อจะทำอะไรสักอย่างตั้งใจอ่านหนังสือนี่ตั้งใจทำการทำงานอย่างเงี้ยแต่นี้ตั้งใจเพื่อจะไม่ให้กิเลสเข้ามาอยู่ในใจอนีตั้งใจให้มันบริสุทธิ์ มันจะคนละสภาวะกันซึ่งมันจะยากกว่าปกติทั้งโลกเขาตั้งใจคิดนะตั้งใจปรุงแต่งตั้งใจโกรธตั้งใจจำตั้งใจแต่ น, นี้เขาเรียกว่าตั้งใจรู้อนเนี้ยตั้งใจรู้รู้เฉยเฉรู้แบบบริสุทธิ์เราเคยเห็นรอรอรถยนต์เนี่ยเวลามันหมุนเร็วๆเนี่ย สนิมขี่โครนขี่ตมอะไแต่มันจะหลุดออกไปง่ายหมุนเร็วนะแต่ถ้ามันหมุนชา้าช้ามันก็จะแข็งตัวมันจะเริ่มจับเหมือนดินพอกขังหมูนี่มันเวียงเร็วขึ้นเร็วขึ้นนู่แหละมันถึงจะหลุดออกเหมือนกันในะคนมาปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเครื่องร้อนช้าก็าไปมาจะกลายเป็นทิฐินะมันจะกลายเป็นความแข็งตัวงูจิดอึดอัดขึ้นมานั้นดีบหมุนเร็ว สติเราเนี่ยคนในขยันปฏิบัติทำทำให้มันต่อเนื่องบ่อยๆความโมนหินนอนอดอึดัดขัดเคืองความง่วงคอาเหงาที่จะมาจับจิตมันก็จะหลุดออกหลุดออกเนยยิ่งหมุนเร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งหลุดไปง่ายแล้วก็ยิ่งจะสะอาดถ้าขับช้าๆเอื่อยเอือยมันจะติดอารมณ์มันจะติดอยู่ในใจ อันนี้เราไม่อยากให้มีอารมณ์อะไรมาติดใ น, นใจให้เป็นสติล้วนรู้ล้ว น, ว น, ว น, ว น, วนอันนี้หมุนไปอย่างเดียวนี่เอาตั้งใจนะ